เรียนกรรมฐานนะเรียนให้ได้หลักได้หลักแล้วต้องทำถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้แะไรได้แต่ความจําความจําได้ฟังได้อ่านมันเป็นปัญญาระดับต้นๆสู้กิเลสไม่ได้เรียกว่าสุตตามิยปัญญากิเลสไม่สะเทือนเลย ยิ่งเราอ่านมากฟังมากมาหน้าตามยิ่งแง่งกูรู้สารพัดจะรู้ปัญญาชนิดหนึ่งนี่จินตามียะปัญญาปัญญาจากการคิดเอาคิดเอาเราใจ เ, าเรามันมีกิเลสอยู่แล้วความคิดของเรามันเลยคิดไปตามอำนาจของกิเลสมันเชื่อถืออะไรไม่ได้ปัญญาจากการคิด ปัญญาที่จะใช้พัฒนาใจเราไปสู่ความพ้นทุกข์จริงๆเนะนียเรียกว่าภาวนามย์ปัญญาปัญญาจากการเจริญสตนะิเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปดูว่าจริงจิงกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นยังไงพอนะ ร, รู้ความจริงแล้วมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้น เราจะรู้ความจริงได้ไม่ใช่ด้วยการอ่านการฟัง น, นั่นคือปริยัตไม่ใช่ด้วยการคิดเอาใช้เหตุใช้ผลพระเจ้าบอกใช้ตะ ก, การใช้ไม่ได้สู้กิเลสไม่ไหวเราก็คิดไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแหละเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยๆเงันดูของจริงในกายในใจเนี้นี่เป็นภาพเป็นกรอบกว้างๆเลยนะของการปฏิบัติ นี่การที่เราเจะมาดูกายดูใจตามความเป็นจริงได้นะเราต้องฝึกอันหนึ่งฝึกให้มีสติอันหนึ่งฝึกสมาธิที่ถูกต้องสัมมาสติกับสัมมาสมาธินะทำให้บ่อยเป็นสัมมาวายมะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์ธรรมสามประการนี้จะทำให้เกิดสมาธิถีตัวแท้หรือตัว เป็นโลกุตระปัญญาปัญญาที่เป็นโลกุตระจริงๆะั้นต้องฝึกนันแรลฝึกสติที่เป็นสัมมาสติฝึกสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วก็พอฝึกได้นะก็ทำบ่อยๆลดละกิเลสไปเรื่อยๆตั้งเป้าหมายให้ถูกไม่ใช่ทำเพื่อสิ่งอื่นเลย ทำเพื่อทำลายกิเลส ท, ที่กำลังมีอยู่ปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดทำกุศลศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามไปถ้ากุศลเกิดแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นการหยุดนิ่งอยู่ในกุศลนั้นพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญต้องเจริญขึ้นไปเรื่อยๆทำไงจะได้สติสติ เป็นอนัตตาอยู่ๆมันไม่ได้มาหรอกของฟรีไม่มีต้องรู้ก่อนว่าสัมมาสติคืออะไรนะสัมมาสติไม่ใช่สติทั่วๆไปอย่างที่คนในโลกรู้จักถ้าหากคนในโลกรู้จักสัมมาสตนะิเขาจะเป็นคล้าลหันนี่คนในโลกเนี้ไม่รู้จักสัมมาสติที่แท้จริง ชอบพูดกันว่ามีสติมีสติทําอะไรให้มีสติครับรถให้มีสติจะพูดจะทําจะคิดให้มีสติอะไรเงี้ยเดินไม่ตกถนนกินเหล้าทําให้ขาดสติอย่าไปกินเหล้าอะไรเงี้ยสติี่ะนะสติโลกโลกคือเมื่อไหร่จิตเป็นกุศลนะเมื่อนั้นสติโลกโลกเนี้ยเกิดอัตโนมัติเล แต่สติที่เป็นสมาสตินะี่คือสติปัฏฐานเท่านั้นไม่ใช่สติรู้เรื่องอารมณ์ที่เป็นกุศลแต่เป็นสติที่รู้รูปนามรู้กายรู้ใจในี่ความต่างมันอยู่ตรงนี้สติทั่วๆไปมันรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลเท่านั้นนะอย่างเวลาใจเราอยากจะมาฟังธรรมใจที่อยากฟังธรรมก็มีสติเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ทันจะรู้เลยว่าตัวเองอยากฟังถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยใจอยากฟังธรรมต้องรู้ว่าจะอยากฟังธรรมนี่รู้เข้ามาที่ใจได้รู้กายรู้ใจได้ถึงจะเป็นสติปัฏฐานแต่ใจเป็นกุศลอัตโนมัติแบบนั้นยังไม่ใช่สติปัฏฐานมีสติรธรรมดาเท่นั้นงัตัวสติเนี่ยเป็นตัวไประลึกอารมณ์ที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นจิตที่มีกุศลทุกทุกดวงเนี่ประกอบด้สติ จิตที่มีกุศลทุกดวงประกอบด้วยสติจิตอกุศลทุกดวงประกอบด้วยโมหะแต่ว่าสติที่เราจะต้องฝึกคือสติปัฏฐานไม่ใช่รู้อารมณ์ที่เป็นกุศลแต่รู้รูปรู้นามตัวรูปตัวนามเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัววิบากซะได้ซ้ําไปไม่ดีไม่เลวเป็นผลของกรรมร่างกายเนี่เป็นตัววิบากไม่มีดีมีเลว คนไม่ดีไม่เลวเพราะร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์เป็นวิบากคนไม่ดีไม่เลวเพราะความรู้สึกสุขทุกข์จิตเป็นตัววิบากคนไม่ดีไม่เลวเพราะจิตไปรับรู้อารมณ์จิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์แต่คนนะไม่ดีไม่เลวเพราะความจำคนดีคนเลวขึ้นมาเพราะความปรุงแต่งสังขารขันงั้นตัว ส่วนใหญนะ่ในขันห้าเนี่ยเป็นตัววิบากมีตัวที่เป็นกุศลอกุศลคือตัวสังขารบางอย่างไม่ใช่สังขารทุกอย่างสังขารบางอย่างก็ไม่เป็นกุศลอกุศลเป็นกลางๆนีสติปัฏฐานเนี่ยนะรู้กายรู้ใจของตัวเองมีสติรู้กายมีสติรู้ใจอันนี้ที่ียสติปัฏฐาน วันใดที่ยังมีการเจริญสติปัฏฐานนะการบรรลุมรรคผลก็ยังมีอยู่ถ้าวันใดไม่มีการเจริญสติปัฏฐานในโลกแล้วก็คือไม่มีคนบรลุมรรคผลอีกแล้วถ้าวันใดคนลืมสติปัฏฐานไปทั้งหมดแล้วไม่มีใครระลึกรู้เรื่องสติปัฏฐานแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติเพื่อบรลุมรรคผลอีกต่อไป เง้นสติที่เราจะต้องฝึกเนี่ยคือสติปัฏฐานสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นสติปัฏฐานก็จะเกิดได้เราต้องดูกายบ่อยๆดูใจบ่อยๆงั้นเวลาในสติปัฏฐานนะั้นถ้าจะบอกให้รู้กายในกายนึง่งเนืองรู้เวทนาในเวทนาเนืองเนืองรู้จิตในจิตเนืองๆนงรู้ธรรมในธรรมเนืองๆนืองว่ารู้นึงๆนงคือรู้บ่อยๆถ้ารู้บ่อยๆแล้วอะไรจะเกิดสติจะเกิด เราสั่งให้สติเกิดไม่ได้สติจะเกิดเองเมื่อมีเหตุแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติการที่จิตจาสภาวะได้แม่นเป็นเหตุให้เกิดสตินี่เราอยากให้มีสติปัฏฐานเราก็คอยะระลึกรู้กายหนึ่งนงรู้ใจเราหนึ่งเนืองรู้บ่อยๆไม่งั้นสติปัฏฐานไม่เกิดรู้กายเนืองนึงทำยังไงพระพุทธเจ้าสอน กรรมฐานมาให้เราเริ่มต้นในหมวดของกายเนี่ยเริ่มจนจากลมหายใจเวลารู้ลมหายใจเนี่ยอย่าไปเพ่งตัวลมหายใจท่านบอกเท็กซูทั้งหลายให้เธอคูบันหลังคูบันห ล, ลังคือนั่งขัดสมาธิทําไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะคนแฉบชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีเก้าอี้นั่งก็งนั่งกับพื้น พระมาบวชก็ามานั่งอยู่กับพื้นถ้านั่งกับพื้นเนี่ยที่ดีที่สุดเน่ยคือถ้านั่งสมาธิมันทรงตัวได้ดีแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดมากถ้านั่งพับเพียบเนี่ยท่านไม่ได้สอนพิสูจน์ทั้งหลายให้นั่งพับเพียบอะไรเงี้ยไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนให้นั่งขัดสมสาธินั่งได้นานนั่ง คูบัลลังตั้งกายตรงตรงตั้งกายตร ง, ต, งตรงเหมืนตั้งพอดีพอดีนะไม่ต้องตรงตั้งอย่างนี้นะแบบพระศิลปะอูทองแข็งเมืวยไตชักหนยอะนั่งไม่ได้นานนั่งเดี๋ยวก็หดออกมาตั้งกายตรงๆเราตรงของเราแค่ไหนก็แค่นั้นแ่ะแต่เราคนตรงไม่เท่ากันบางคนฝึกมาแบบนาตัดสิน ตรงเก๋อะไนั่งตรงเขานั่งได้ช่างเขาเน้นัพน่็ตรงของเขาตรงของเราอาจจะย่อนลงมาหน่อยเองแต่อย่าย่อนอย่นนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไม่มีสติเดี๋ยวเดียวเขาสลบสไลด์จิตใจอ่อนแอผู้บันลงังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเคล็ดลับอยู่ตรงที่มีสติอยู่เฉพาะหน้าอย่ง มีสติอยู่เฉพาะหน้าหมายถึงอะไรอยู่กับปัจจุบันนะไม่ใช่หลงไปอดีตไม่ใช่หลงไปอนาคตมีสติอยู่กับปัจจุบันดูเฉพาะหน้ารู้อะไรหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกก่อนระหว่างหายใจออกกับหายใจเข้าไม่เหมือนกันจิตจะไม่เหมือนกันลองหายใจออกก่อนซิ แล้วค่อยหายใจเข้าแล้วสังเกตจิตใจของเราเองเอ้าวหยุดตอนนี้เอาใหม่หายใจเข้าก่อนแล้วค่อยหายใจออกแล้วสังเกตจิตตนเองจิตไม่เหมือนกันดูออกไหมถ้าหายใจเข้าก่อนเป็นไงแน่น ดังในสติปัฏฐานนะั้นบอกพิสุทธิ์ทั้งหลายให้เธอคู่บัลังตั้งกายตรงดำรนสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้หายใจออกยา ว, วหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาวหายใจออกหายใจออกแล้วใจผ่อนคลายนะแล้วก็หายใจเข้าด้วยใจที่ผ่อนคลายต่อไปพวกเราที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยที่พลาดอย่างร้ายแรงเลยนะก็คือไปทําใจให้แข็งทื่อแน่แน ตรงหายใจเข้าก่อนนะแน่นทุกคนอะ่ะหลวงพ่อมันไม่ยอมแน่นมันฝึกมานานหายใจออกหายใจเข้ามันเหมือนกันะคนส่วนใหญ่พอหายใจเข้ามันคล้ายๆวิชาลมปรานนะเกร็งลมปราณนแน่นขึ้นมาไอ้คนจีนรู้เรื่องดีเลยเพราะทําท่าคนจีนเกตถ้าหายใจออกก่อนใจจะคลาย ม่านทำอย่างที nice. huh. ่พระเทเจ้าสอนคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ารู้ปัจจุบันหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวท่านก็ไม่ได้สอนว่าให้รู้ลมหายใจนะท่านบอกว่าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวตำลารุ่นหลังอ่ะรุ่นอัตถะถารุ่นไหนเนี่ยสอนให้ไปดูที่ลมนสอนให้ดูตัวลมมันจะได้สมถะ ถ้าเราจะเดินนิพพานนาต่อนะ่ะไม่ต้องไปวกไปอยู่ที่ตัวลมก่อนเข้ามาที่ความรู้สึกตัวอย่างขณะเนี้ยร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไม่ได้รู้ที่ลมแต่รู้ร่างกายเพราะนี่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้กายนะรู้กายเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะในกายานุปัสสนาเนี้ย หมวดต่อไปบับพระต่อไปคืออิริยาบถสบางคนไม่ชอบดูการหายใจไม่ชอบดูร่างกายหายใจเราก็มีสติรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่างขณะ น, นี้ร่างกายนั่งอย่าไปเพ่งใส่มาน่าเพ่งใส่มันก็เหมือนไปเพ่งใส่ลมหายใจรู้ตัวสบา ย, บายรู้ทั้งตัวรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สบายๆเห็นร่างกายมันกลังนั่งอยู่ถ้าไม่ชอบ ดูล่างกายนั่นเห็นร่างกายกำลังหายใจอยู่เราเป็นคนดูร่างกายกำลังหายใจใจเราเป็นคนดูแล้วเราจะเห็นทันทีร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเนี้ยปัญญามันจะเริ่มเกิดแต่ถ้าเราไปดูที่ตัวลมนะอย่างหลวงพ่อหัดทีแรกของพ่อถูลมหายใจท่านพระลีสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทท่านสอนอย่างเนี้ยเราเข้าไปจ้องลมเลยเนะพราะอะไร เพราะว่าในสามสรารวัตเนี่ยเราเคยชินกับวิชาของฤาษีมากกว่าวิชาของพระพุทธเจ้านะพอบอกให้รู้ลมหายใจกนะ็จะไปจ้องลมหายใจดูลมหายใจท่านพระรีสอนหลวงพ่อนะจับมานั่งตักแล้วลสอนว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดออกโทรนับสองหลวงพ่อก็อมาทำ รู้การหายใจไปหายใจทีแรกมันจะลึกๆหายใจเสร็จแล้วพอใจเริ่มสงบเนะการนับจะหายไปไม่ต้องนับเลขแล้วเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรพอจิตสงบมากขึ้นนะพูดโทหายไปเหลือแต่หายใจพอจิตสงบขึ้นนนลมหายใจจะตื้นหายใจแล้วเหลือลมสั้นนิดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกเันลมไม่ได้ลงไปที่ท้องนะวความรู้สึกแล้ มาอยู่ที่ปลายจมูกนี่เอแล้วลมก็หายไปกลายเป็นแสงสว่างเรารู้อยู่ที่แสงสว่างเนี่ยแต่รู้ไม่เป็นจิตมันเคลื่อนออกไปอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่นก็เคลื่อนตามแสงออกไปไปดูข้างนอกนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่หลวงพ่อมาดูพวกเราจะฝึกจนลมหายใจระ ง, งับเนี่ยนะโงเ่เฮงพวกเราไม่ให้ะโม่เฮงพวกเราไม่ให้จะฝึกจนลมหายใจระ ง, งับ งั้นหลวงพ่อเลยเปลี่ยนการสอนใหม่ถ้าสอนอย่างครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยคนแต่ก่อนนั้นนั่งสมาธิกันหลายปีนะพุดโธกันแล้วก็ทำสมาธิกันหลายปีจิตสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกายกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับคนเดินฌานแต่จิตตานุกปัสสนาเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ได้เดินฌานเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกใช้วิปัสสนาไปเลย งห็นมารุ่นเราเนะใช้สมาธิถึงระดับฌานเนี่ยชานนี้คงไม่ได้ปฏิบัติอย่างท่านพุทธทาสนะท่านสอนอนาปนาสติสิบหกขั้นสิบหกขั้นนะ่หนะหลวงพ่อสงเจดูคนจะผ่านถึงขั้นที่สี่เนี่ยหาไม่ได้ละหายากสันทีขั้นที่สี่เนี่ยเลิกหายใจแล้วนะลมหายใจระงับทำได้ไหมระงับ <c oughs> เดี๋ยวเดีนไม่ไหวแล้ะลมในใจเราหนใหมาถึงลมมันสั้นสั้นสั้นจเหมือนมันหยุดเลยอันน้ใจต้องสงบลงไปเมื่อเราทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปทำกรรมฐานมีทั้งเยอะทั้งแยะย่งกรรมฐานสำหรับคนที่ไม่ได้ชาญเนยดูจิตจิตตานุปัสสนาหมะกับวิปัสสนาญาณอีกคนที่เดินปัญญาดูความเกิดดับของจิตใจไปเลย อันนี้ไม่ต้องเข้าชานตอนดูง่ายรู้จักโลบใช่ไหมเมื่อวานถามแล้วใจโลภขึ้นมารู้ว่าโลภโกรธรู้ว่าโกรธลงรู้ว่ลงนี่แต่ถ้าเราจะเดินเต็มภูมิน่ะอย่างจะเดินสายกายเต็มภูมินั้นหายใจไปจนลมระงับนะเหลือแสงจิตจับอยู่กับแสงเล่นกับแสงได้ย่อได้ขยายได้ จนกระทา่งจิตเข้าฌานถ้าจิตออกจากฌานมาดูกายพิจรณาร่างกาย น, นี่แนวหนึ่งไปได้ไหมได้ครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนใหญ่มาด้วยวิธีนี้ทําความสงบจิตเข้ามาแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกายทําไมต้องมาพิจาณาร่างกายจิตที่ทรงฌานอยู่พอออกมาแล้วมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งท่านก็ต้องกระตุ้นให้มันทํางานด้วยการพามันคิดคิดเรื่องกายของตัวเอง ถ้พวกดูจิตนั้นดูเข้าไปเลยจิตตอนนี้สุขจิตตอนนี้ทุกดูเข้าไปจิตตอนนี้ดีจิตตอนนี้ชั่วดูเข้าไปถ้าจะช่วยมันหน่อยก็พุทโธนะพุทโธพุทโธไปด้วยแล้วก็ดูดูจิตไปเลยช่วยตัวเองวิธีนั้นง่ายๆทำได้ไหมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเล่นๆไม่ใช่พุทโธให้สงบนะพุทโธเล่นๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นความคิด พอจิตมันไปคิดเรื่องอื่นมันก็ลืมคิดพุทโธทจริงพุทโธเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสป่าก็ไม่คิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วว่าคอยรู้ทันจิตตัวเองไปพอจิตมันเผลอจิตมันหลงมันก็ลืมพุทโธไปคิดเรื่องอื่นแทนพุทโธเปลี่ยนเรื่องคิดไปแล้วอย่างที่คิดพุทโธนะก็เพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองแล้วก็ดูจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเลย นี่เป็นวิธีที่ง่ายๆสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้ถ้าอย่างปูบาจจานั้นเข้าฌานะหายใจเข้าพูทโออกรยนะย์จนจิตรวมได้ปฏิภาคนิมิตก็เข้าฌานไปเพราะฉะนั้นสายหนึ่งออกจากฌานมามาดูกายของเราดูจิตไปเลยพุโทโธไปแล้วรู้ทันจิตไปเลยไม่ต้องใช้สมาธิลึก ในการที่เราคอยดูกายบ่อยๆเรียกรู้กายเนืองๆก็เรียกว่าเราฝึกสติปัฏฐานการที่เราคอยรู้จิตเนืองๆจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตชั่วมีพุทโธคํากลับไปด้วยจะช่วยให้ดูได้ดีขึ้นพุทโธพุทโธแล้วจิตสุขก็รู้พุทโธแล้วจิตทุกข์ก็รู้พุทโธแล้วจิตสงบก็รู้พุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้ดูเนืองๆดูบ่อยๆ ประเภทวันหนึ่งดูทีหนึ่งหรือสามวันดูทีหนึ่งจะมาพูดเลยไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานนะนานๆดูทีหนึ่งจิตจําสภาวะไม่แม่นนย่างถ้าเราพุโทโธแล้วเรารู้ทันจิตเรื่อยๆต่อไปจิตจําสภาวะของจิตได้แม่นนะจิตขยับเขยืขย้อนนิดเดียวเห็นเลยถ้าอย่างเงี้ยพอจิตขยับปุ๊บเห็นปั๊บเนี้ยสติเกิดละนะถ้าฝึกอย่างเนี้ยเราจะได้สติปัฏฐานที่ดีรู้กายรู้ใจของตัวเองมันมีสองแนวนะ แนวหนึ่งของสมถายานิกทาฌานก่อนทำฌานได้แล้วก็มาเจริญสติดูกายที่จริงแล้วมันมีกายกับเวทนาเหมาะสำหรับคนเล่นฌานนะจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเหมาะกับพวกวิปัสสนาญาิกพวกที่ไม่ได้เล่นฌานนะดูเข้าไปเลยมีสองทางให้เลือกเราอย่าเลือกทางที่เราทำไม่ได้นะพระเชจ้ามีทางให้เลือก เพราะว่าคนมีจริตนิสัยแตกต่างกันถ้าเราเข้าฌานไม่ได้อย่าไปกงังวลเราดูจิตไปเลยถ้าเข้าฌานได้มีกรรมฐานสองอันนะกา ย, ยานุปัสสนาสติปัฏฐานกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาที่ดูสุขทุกข์ของกายสุขทุกข์ในกายเนี้ยดูดูกายแล้วก็ต่อด้วยสุขทุกข์ในกายถ้าจะดูจิตจิ ต, ตานุปัสสนากัตธรรมานุปัสสนา มานุปนัสสนาดูทั้งรูปทั้งนามดูการทํางานดูกระบวนการทาํางานเช่นนิวรมันทํางานเพราะอะไรนิวรไม่เกิดเพราะอะไรนิฆวันเกิดได้เพราะอะไรกูศลอย่างโพชฌงเกิดได้ยังไงดูการทํางานของมันทําังไงโพชฌงไม่ยอมเกิดดูที่การทํางานดูธาตุดูขันดูวิญญานะดูปฏิจจสมุ ป, ปบาทอนนี้ในส่วนของธรรม ดูกระบวนการทำงานถ้าดูตัวสภาวะล้วนๆก็เป็นกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาดูตัวสภาวะสภาวะของกายก็เป็นกายานุปัสนาความสุขความทุกข์ในกายเป็นเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนานั่นดูจิตใจมันทำงานเมื่อวานสอนแล้วนะการดูจิตดูได้สองส่วนส่วนหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิต ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในใจไม่ใช่ที่กายนะดูสุขทุกข์ที่ใจแล้วก็กุศลอกุศลที่ใจอันนี้ยเราดูความรู้สึกรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วที่เกิดกับใจอันที่สองดูพฤติกรรมของจิตจิตส่งไปคอยรู้จิตเคลื่อนคอยรู้จิตเพ่งก็ยรู้จิตทําอะไรคอยรู้ะเนี่ยดูจิตใจดูสองอย่างเนี้ยไม่ต้องเข้าฌานก่อนถ้าเข้าฌานก่อนมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูหรอก มันว mm ่งๆเพน้ใช้สมาธิธรรมดาธรรมดาเนี่ยคณิกาสมาธิที่ที่สุดง่ายที่สุดคณิกาสมาธิคือใจจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะได้สมาธิขึ้นมาอาศัยสมาธิชนิดจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยฝึกบ่อยๆจิตมันจะเริ่มตั้งมั่นอยู่กันเน้อกัตัวนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะฝึกไปได้่อยๆมันก็จะรู้ถี่ๆขึ้นมาแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลย เจริญปัญญาด้วยการดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปจิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็ดีจิตนี้เดี๋ยวก็ร้ายจิตนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าดูมันวิ่งไปทำงานทางอายตนะเนี่ยดูพฤติกรรมของจิตจิตบางทีก็หยิบฉวยจิตจิตบางทีก็ปล่อยวางจิตอันนี้เป็นการรู้พฤติกรรมของจิต ค่อยๆฝึกไปเนี่ยค่อยๆรูค่อยเห็นเองแหละพอใบไหมสอนยากไปไหมที่วันนี้สอนยากหน่อยเพราะว่าพวกที่มาเข้าคอร์สเนี่ยฟังหลวงพ่อมาเป็นปีละ <c oughs> พวกใหม่ๆนะเออให้รู้ว่าเออ น, นี่กําลังหัดสติปัฏฐานนะใจกำลังเออฮะหลวงพ่อพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลย เออรู้ว่าเออเนี่ปฏิบัติแล้วง่ายขนาดนี้นะง่ายจริงไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยง่ายๆรู้จักเออไหมรู้จักงงไหมงงงงอย่างนี้็งงถ้าเออใจมันเออไม่ใช่น่าเออนะบางคนวีดามันดาพัฒนามาดีลูกเกิดมาหน้าเออเลยนะ อย่างนั้นไม่ใช่กรรมฐานนะดูที่ใจใจเราเออห้ดูไปใจสุขใจทุกข์ใจดีใจชั่วใจสงสัยรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยากเด็กเล็กๆก็ดูเป็นเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีเด็กมาบวชเนนะพ่อเป็นด็อกเตอร์ลูกยังเป็นเด็กปถมอยู่เลยปถมใช่ไหมลูกเป็นเด็กปถม มันนั่งอยู่ท้ายแถวสุดเป็นเนนเล็กที่สุดศึกต่ละเนี่ยไม่ต้องดูเนนนี้ไม่เล็กแล้ะหลวงพ่อบอกว่าจิตมันเผลอไว้แล้วมันเห็นเห็นเห็นจิตไหลไปไม่ได้เรื่องยากเด็กเล็กเล็ก็ทำเป็นผู้ใหญ่ทำไม่เป็นเพราะคิดมากไหนไหนจิตไหลจิตเป็นไงมันไหลยังไงเนะี่ยมัวแต่คิดนะ ไม่หยุดคิดไม่มีทางรู้หรอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดหลวงปู่ดูลสอนอย่างนี้นะมีคําว่าต้องอาศัยคิดด้วยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ว่าอาศัยคิดเรานั่งคิดไปเรื่อยๆไหนรู้จิตดวยังไงหาทางอย่างนี้ไม่มีวันดูออกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้หยุดคิดแล้วก็รู้เอาแต่ก็อาศัยคิดอย่างเด็กเนนนั้นนะ เนนื้อหลงไปคิด ห, หลวงพ่อบอกว่า mm. เฮ้ยหลงไปแล้วอาศัยจิตหลงไปคิดนะเนรู้ทันตรงนี้นะจิตรู้ก็เกิดขึ้นนั้นปล่อยให้มันคิดแต่มีสติรู้ไม่ใช่ห้ามคิดนะบางคนบอกถ้าความคิดเกิดขึ้นให้ตัดทิ้งถ้ามีการปัดทิ้งเนะี่ยเป็นสมถะแล้วไม่ใช่มีปาสนาแล้วส่วนใหญ่ที่สอนสอนกันมันไปได้แค่สมถะแล้วขึ้นมีศาสนาไม่เป็น ทำจิตให้ว่างมีการจะทำทำจิตให้ว่างอย่าคิดมีการห้ามถ้าวิปัสสนาจริงรู้อย่างที่เป็นคิดอยู่รู้ว่าคิดนี่วิปัสสนาห้ามคิดอันนี้สมถะสมถะจะมีสิ่งที่ต้องทำวิปัสสนาไม่ได้ทำอะไรที่เกินจากการรู้ตามความเป็นจริง แต่เราปลอยให้จิตคิดไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นจิตมันทํางานแล้วเรามีสติรู้เดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดตัวนี้แสดงความไม่เที่ยงแล้ ว, แ, ลวแสดงการบังคับไม่ได้ด้วยจิตรู้ก็รักษาไม่ได้จิตคิดก็ห้ามไม่ได้ตัวนี้เห็นอนัตตางั้นดูไปแล้วจะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาแล้วค่อยๆฝึกไปไม่ใช่เรื่องยากเด็กเยังทาเป็นเลย ผู้ใหญ่ทำให้เป็นเพราะคิดมากว่าจะทํำยังไงดีในหัวของนักปฏิบัติเนี่ยพอตื่นนอนมาก็จะเริ่มคิดว่าวันนี้จะปฏิบัติยังไงดีใครเป็นมัง้งยกมือซิคนที่ไม่เปน็นคือคนที่ไม่ได้คิดจะปฏิบัติหลวงพ่อนะท่านเป็นโยมอะพอตื่นนอนปุ๊บเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนะคิดเลยว่าจะปฏิบัติยังไงะวันนี้จะปฏิบัติยังไงอะไรอย่างเงี้ย นะกว่าจะหายโงนะ่ใช้เวลาไม่ใช่น้อยนะประเภทพอตื่นขึ้นมากลายเป็นยังไงรั่วเป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงรั่วเป็นอย่างนั้นต้องฝึกอยู่นานเป็นเด็กรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็จะภาวนางไงดีวันนี้หัวเละ <laughs> น่าสงสารทำของง่ายให้ยากของเปิดเผยทําให้ลึกลับ การดูจิต ด, ดใจเป็นเรื่องเปิดเผยนะการดูกายก็เปิดเผยธรรมะของพุทธเจ้าเปิดเผยนะไม่มีอะไรลึกลับเลยมีแต่ลึกซึ้งไม่ลึกลับแต่ลึกซึ้งเราชอบวาดภาพการปฏิบัติธรรมให้มันลึกลับเลยเข้าไม่ถึงความลึกซึ้งมัวแต่ลึกลับลึกลับมันยังไงมันยังไงเนี่ยคิวยังไงน่ะเอาอย่างนี้ ตัดสินใจเด็ดขาดไม่ได้กินหรอกอย่างตอนนี้กาลังหัวละอยู่รู้สึกไหมหัวละหัวละรู้พยักหน้าอยู่รู้สึกไหมรู้เนี่ยรู้กายไอย่างนี้ถ้ารู้กายก็รู้มันไปเลยแล้วก็มีใจเป็นคนรู้นะถึงจะทาได้ที่เขาไปนั่งสมาธิกัเพื่อให้มีใจที่เป็นคนรู้พอมีใจเป็นคนรู้แล้วมันถูกายแต่ว่า ส่วนมากพอใจเป็นคนรู้ผ่านฌานมาผู้รู้ตัวนี้ไม่ยอมคิดไม่ยอมทํางานท่านเลยต้องคิดพิจารณากายนะแต่ของเราไม่ได้ผ่านฌานมาจิตเราเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะตัวรู้ของเราตัวเนี้ทํางานเก่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะจะเดินปัญญาง่ายดูง่ายๆสรุปให้ฟังนะค่อยถือศีลห้าไว้ก่อนขั้นแรกต้องถือศีลห้าทุกวันแบ่งเวลาทําในรูปแบบ อย่างน้อยสิบห้านาทีสำหรับคนหันใหม่แล้วต่อไปไมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเองต้องต้องเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่สิบห้านาทีแล้วบอกหนูมักน้อยสันตวสิบห้านาทีมาสิบห้าปีแล้วอ๋ออย่างนี้สุดจะเยียวยาเลยขี้เกียจอะ <c oughs> ต่อไปค่อยๆฝึกนะจนกระทั่งทุกลมหายใจเข้าออกมีสติเหมือนปฏิบัติทั้งวันทุกเก้าที่เคลื่อนไหวมีสตินี่ปฏิบัติทั้งวัน เริ่มต้นมาจากเล็กๆน้อยๆเ น, น, นี่ยฝึกให้มันชำนาญภาวนาทั้งวันต่อไปถ้าภาวนาได้ทั้งวันนะในทุกอิริยาบถเนี่ยมาผลนิพพานไม่ไปไหนหรอกอยู่ใกล้ๆแล้วแล้วถ้าวันๆเผลอทั้งวันไม่ได้กินหรอกถ้าอยากพ้นทุกข์อยากมีความสุขที่มหาศาลก็ต้องขยันภาวนาไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขเราได้เท่ากับการปฏิบัติธรรม ความสุขในโลกหลวงพ่อรู้จักดีหลวงพ่อเป็นชาวโลกมานานอายุสี่สิบแปดถึงได้บวชนะพ่อแม่พ่อแม่ตายไปแล้วมาบวชได้เนั้นความสุขในโลกรู้จักอย่างดีความสุขจากการมีเงินเงินเราก็มีความสุขจากการใช้เงินเราพอใช้เงินมีเงินให้ใช้นะอยากขึ้นได้อะไรก็มีความสุข จากการไม่มีนิสินแล้วก็ไม่เคยมีนิสินอะไรนะชีวิตอยู่ในโลกนะั้นมีความสุขทุกอย่างชื่อเสียงก็มีนะคนเคารพนับถือก็มีตำแหน่งก็ใหญ่อนะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างที่ชาวโลกมีมีก็มนะีไม่ใช่ไม่มีน ะ, ะไม่ใช่เพราะเป็นขันทีเลยมาบวชไม่ใชนะ่ทุกอย่างความสุขในโลกนะี้รู้จักรู้จักอย่างดีเลย แต่มันรู้ว่ามันมีของที่เหนือวันนี้ก็มาบวชเราก็ได้เจอความสุขที่สูงขึ้นเป็นลำดับลำดับไปความสุขที่สูงที่สุดคือคือพานิพานนะพุทธเจ้าบอกไว้เป็นสภาวะที่ไม่มีกิเลสไม่มีความปรุงแต่งไม่มีความเสียจแทงในใจสบายนิพานเที่ยงนิพานมีความสุขค่อยๆฝึก เอาไปกินข้าวไปอย่าขาดสตินะไปกินข้าวก็ฝึกไปอยากกินรูว่อยากตะกละรูว่ตะกละเคียวอาหารเห็นร่างกายเป็นเคี้ยวกลืนอาหารเห็นร่างกายมันกลืนนี่หมดนะครับ